ยอมเต็มไปด้วยความลำบากลุมลุกผูกการจะอยากว่ามันมืดมิดปิดตาจนหาทางออกทางเข้าหาทางเดินไม่ได้เพราะสิ่งที่เราไม่เคยทำม้ว่าซอกใดมุมใด รอบกายรอกใจของเรามันมีแต่ข้าที่คอยทำทาลายทำของเราทั้งนั้นเพราะมันมีอำนาจมากถ้าเป็นวัวก็มันอยู่ปากคลอกตลอดเวลา พอแย้มประตูออกนิดมันก็ออกได้เลยล้วมตัวมันทันทีพอแย้มปักมันก็ออกได้ปุ๊บเพราะมันคล่องตัวมีเป็นหลักธรรมชาติของสิ่งที่เป็นค่าสิทต่อธรรมนั่นว่าเรียกว่ากิเลสสมาร คือสิ่งรางควานอัดทำทำลายอัดทำภายในใจิตใจเพราะฉะนั้นเราจรึงไม่เคยคิดเคยคาดเคยฝันกันว่าธรรมจะมีอยู่ภายในใจเพราะใจทั้งดวงในขณะที่ยังไม่ได้เลื่องได้ราวเกี่ยวกับธรรมมันเป็นกิเลสทีทั้งหมด ยึ่งลำบากในการประพฤติปฏิบัติเบื้องต้นมันจะทำให้จิตสงบร่มเย็นปราศจากความคิดความยุ่งเหยิงอันเกิดขึ้นจากความคิดข้งตนเกี่ยวกับเรื่องต่างๆซึ่งก็เป็นเรื่องของใจเป็นผู้ปรุงขึ้นมาแต่งขึ้นมาเพราะมีสิ่งบังคับให้ปุงให้คิดเรื่องนั้นๆ ไม่ใช่เป็นขันล้วนรวนที่คิดปรุงธรรมดาของตนอันไม่เกิดเรื่องเกิดราวอะไรแก่เจ้าของแต่มันเต็มไปด้วยพิษด้วยภัยในขณะที่คิดออกแต่ละเรื่องละหลาเพราะตัวพิษบังคับให้คิดให้ปรุงนี่มั น, นำมํำบากการปฏิบัติเบื้องต้น าการถอยหน้าถอยหลังก็คืออำนาจของสิ่งเหล่านี้แหละตาให้ถอยคำว่าถอยนั้นก็คื อ, คอว่าด้อยความภาพเพียนลงมีความสงสัยเป็นกำลัง ความด้อยกําลังลงก็ดีความมีความสงสัยทำให้เกิดความด้อยกําลังลงไปก็เป็นเรื่องของมนันทางนั้นเราจะแยกออกตรงไหนสิ่งนี้ไม่แทบไม่แสงไม่เจอสิ่งนี้อยากจะพูดว่าร้อยทั้งร้อยเปอร์เ็ เจอทั้งนั้นเจอแต่สิ่งเหล่านี้มันปิดมันล้อมมันอุดมันตันอยู่ทุกแงน่ทุกมุมไม่ว่าจะเป็นความคิดในแง่ใดด้านใดมเบื้องต้นเป็นอย่างนั้นด้วยกัน <c oughs> เพราะเรายังหาทางออกไม่ได้หาทางสู้ไม่ได้ เนื่องจากสติปัญญาอันเป็นฝ่ายทาไม่พอความเพียรก็ไม่ทราบจะเพียรดนะัอย่างไรถึงจะถูกมีจิตซึ่งเป็นเหมือนกังหันนั้นมันก็ไม่หยุดหมุนเพราะผู้บังคับให้หมุนมีอยู่ยากที่ตรงนี้แต่อย่างไรก็ตามการกล่าวทั้งนี้ ไม่ได้กลามให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายเกิดความท้อถอยอ่อนใจน้อยเนื้อต่ำใจเราพูดถึงเรื่องกลนอุบายของสิ่งที่เป็นมารต่อธรรมซึ่งมีซึ่งจะเกิดหรือจะมีจะปรากฏขึ้นภายในใจของเรามันปิดมันกัน้นมันอุดมันตังไว้หมดท่านจึงเรียกามันมา ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ทราบไว้ความเพียรพยายาม <c oughs> นั่นแหละเป็นทางที่จะบุกเบิกสิ่งที่เป็นข้าสุดทั้งหลายออกได้เทียรเล็กแต่น้อยเห็นใจไม่เคยสงบเมื่อพยายามหลายครั้งหลายหงหลายโหนต่อสู้กันไม่หยุดไม่ถอยก็ต้องปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาในขณะหรือเวลาหนึ่งจนได้พอให้เห็นช่องทางและพอเป็นเครื่อง เสริมจิตใจให้มีกำลังขึ้นมาในเบื้องต้นเราไม่ทราบจริงๆอาการของจิตแต่และอาการที่แสดงออกนั้นมีอะไรเป็นฉากหลังบังคับอยู่เราไม่มีทางทราบได้จึงถือเอาความคิดความปรุงทั้งหลายเหล่านั้นเป็นของจริงของจังเป็นความเชื่อความดูดดื่มไปเสียทั้งมวลโดยไม่ได้คำหนึ่ง ว่าเป็นสิ่งที่ผิดหรือที่ถูกเพราะมันกลมคืนมันไปด้วยธรรมชาติอันเดียวจนมองหาสิ่งที่จะแทรกสิ่งที่จะแข่งสิ่งที่จะวัดคัดตวงกันไม่มด้พ อ, อเมื่อหฝึกฝนอบรมอยู่ไม่หยุดไม่ถอยก็จิตใจก็ค่อยเปิดเผยตัวออกเห็นเป็นความสงบบ้าง เล็กน้อยแล้วความสงบละเอียดเข้าไปเพราะเวลาจิตสงบนั้นเครื่องตรงุงเครื่องควรใจทั้งหลายได้แก่ความคิดนั้นมันสงบตัวลงจิตก็เย็นสบายยิ่งผู้ไม่เคยพบเคยเห็นไม่เคยปรากฏเลยเมื่อแล้วก็ยิ่งเป็นความอัศจรรย์ขึ้นภายในตนทัองตัวในขณะที่จิตสงบนั้น ท่านสอนให้มีธรรมเป็นเครื่องยึดถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องยึดจิตก็ผ้าอะไรไม่ติดเพราะมีตัง้งแต่เรื่องของกิเลสทั้งมวลอยู่ภายในจิตใจเองต้องอาศัยธรรมบทใดก็าตามเป็นที่ยึดของจิตในขั้นเริ่มต้นเป็นท่านสอนให้บริกรรมภาวนาทำที่ตนชอบสฏิบัติใส่ เป็นเครื่องกากับใจมีสติคอยกากับอยู่กับคำบริกรรมนั้นๆให้สืบต่อเนื่องกันไปเป็นลาดับไม่ให้เผลอแต่ไม่ถึงกับต้องเป็นเนื้อเป็นตัวจนเกินไปเลยความปกติให้มีความรู้สึกอยู่เท่านั้นในขณะที่ <c oughs> ทำบริกรรมพอนานั้นทาระทั้งหลายที่จิตมันชิด มันแทนรัตหนีออกไปกว้างแขบด้วยความรู้เป็นเครื่องหลอกลวงต่างๆนั้นให้ปลดเปื้องทั้งมวลต่หนึ่งว่าโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเลยมีเฉพาะคำบริกรรมกับความรู้ที่กลมกลืน ก, กันอยู่เท่านั้นไม่ต้องขาดต้องหมายถึงมักถึงผลจะเป็นผลของสมาธิท่านใดภูมิใดจะเป็นความรู้แบบประหลาด เห็นเปรตเห็นผีเห็นนรกอเวชีเห็นเทวบุตรเทวราก็ตริไม่สนใจคิดทั้งมวลนอกจากคำบริกรรมซึ่งเป็นงานของตนทําอยู่ในเวลานั้นเท่านั้นมีวิธีการภาวนาที่จะให้ปิดจังกโลกธาตุเหมือนไม่มีไม่เอ็นความรู้สึกนี้ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดนอกจากคำบริกรรมที่กําลังทำอยู่เท่านั้น ให้รู้กันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยเจตนานี่แหละอุบายที่จะทำจิตให้สงบต้องสงบได้ไม่สงสัยผู้กำหนดลมก็ตามส <c oughs> ติเป็นของสำคัญมากใครจะภาวนาในธรรมบทใดหรือวิธีการใดก็าตามสตินี้เป็นพื้นฐานที่จะเหนี่ยวรั้งจิตใจให้ยึดกับธรรมที่ตนพิจารณานั้น ได้เป็นอย่างดี้าปราศจากสติเสียเมื่อไรงานก็ขาดวักขาดตอนผลก็ย่อมไปเป็นตะตะย่อมเป็นไปตามกันนั้นแล้วไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควรหรือไม่ได้ผลเพราะความเผลอเราคอยแต่จะเอาผลอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงเหตุว่าสืบต่อเนื่องที่จะให้ผลเกิดขึ้นได้เพียงมากน้อยเพียงไรหรือไม่ในขาดตรงนี้ พราะฉะนั้นนักภาวนาเองไม่ค่อยได้ผลในการภาวนาของตนเนื่ <c oughs> องใจรู้จะเห็นสิ่งใดนั้นไม่ต้องไปคาดนั่นเป็นเครื่องข้อควรจิตใจให้ทํางานไม่สะดวกและไม่เห็นผลเท่าที่ตนต้องการให้มีความรู้อยู่กับงานที่ทําเท่านั้นไม่มีสิ่งใดเข้ามาเกี่ยวข้อง เรื่องความอยากนั้นมันผลักดันขึ้นมาตลอดมีให้ทราบว่าความอยากอันนี้คือตัวกิเลสโดยแท้อยากคิดอยากตรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้เกี่ยวโยงไปจนครอบโลกธาตุด้วยแล้วตั้งแต่เรื่องของกิเลสมันผลักดันความคิดวาดภาพออกมาหลอกตัวเราเองให้ตื่นเงาตื่นภาพตื่นมโนภาพที่มันหลอกออกมาไม่มีวันจืดจางยิ้มพอเลย นี่เป็นนิสัยของจิเดชที่หลอกลวงสับโลกเฉพาะอย่างยิ่งผู้ภาวนาเอาให้เสจากหลักของการภาวนาจนได้ผลสุดท้ายก็ไม่เกิดผลอะไรขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจรึงควรจะทราบเล่ห์เหลี่ยมความแง่งอนของมันดังที่กล่าวมาโดยย่นย่อไว้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป การธาวนาจะเป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นวิธีการที่กล่าวมานี้ท่านที่อยากว่าสมถะเพื่อความสงบสมถะภาวนาต้องเป็นไปตามนี้ไม่สงสัยถ้าเราดำเนินตามที่อธิบายมาจะเข้าสู่ความสงบได้จิตจะไม่เหนือกําลัง ของความผากเปลี่ยนของเราไปได้เลย <c oughs> เอาให้จิตได้รับความสงบวิยาบทต่างๆซึ่งเหมาะสมกับตนในการใดเวลาใดอ๋อให้ทราบภายในตัวเองแล้วปฏิบัติต่อตัวเองให้เหมาะเช่นนั่งภาวนาสัพเพงดงกงกงันลงเดินอุบายของเราที่จะแก้นั่นแหละเรียกว่า ทำเรียกว่ามัดกิเล่เกิดขึ้นจากใจมัด ก, ก็คือทำก็เกิดขึ้นจากใจคิดขึ้นมาได้สังขารประเทหนึ่งเป็นสมุไทยคือเครื่องผูกมัดติดใจสังขารประเทหนึ่งเป็นมัดเป็นฝ่ายแก้สมุไทยนั้น เป็นทั้งขานเหมือนกันแต่แยกความหมายต่างกันความรู้สึกต่างกันออกไปความรู้สึกของความคิดปรุงอันหนึ่งเป็นที่เลยความรู้สึกอันหนึ่งคิดปรุงขึ้นมาอย่างเป็นฝ่ายแก้ที่เลย <c oughs> เกิดขึ้นมาจัดจัดอันเดียวกันเบื้องตน้นการจะตั้งหลัก จิตใจให้มีความสงบแน่วแน่ให้เป็นพื้นเป็นฐานหรือว่าเป็นต้นทนเป็นสิ่งที่ลำบากอยู่เป็นธรรมดาแต่อย่าเอาคำลำบากเข้ามาเป็นอุปสรรคมีขวางทางดําเนินของตนไม่ใช่ทางเป็นเรื่องของกิเลสอีกเหมือนกันความอุตสาห์พยายามจะเอาให้ได้ให้ถึงตามที่ตนต้องการนั่นเป็นความต้องการนม่เป็นความอยาก เป็นฝ่ายมากักเป็นฝ่ายที่จะให้ผิ่นติดหม้ปลายทางได้นี่เพราะฉะนั้นความอยากจึงมีทั้งเป็นฝ่ายกิเลสมีทั้งเป็นฝ่ายมากักถ้าความอยากที่จะสังสมกองทุกข์ขึ้นมาเพื่ออํานาจของกิเลสนั้นเรียกว่าความอยากประเภทนั้นเป็นกิเลสเห็นอยากได้เห็นได้ยินได้ฟัง ลมติ่นลิ้มลดแบบโลกทั่วไปนั่นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของจิอยากรู้เท่าทันอยากถอดอยากถอนกับในสิ่งเหล่านี้ความอยากนี้เป็นมากการพิจารณาขี้คลายให้เห็นเหตุเห็นผลเพื่อจิตจะถอดถอนตนออกมาจากความยึดมั่นถือมั่นเพราะอำนาจของจิเลสเจตสรสงขัญยอนั้นเรียกว่ามากนัน เผิดขึ้นได้พนใจของเราเพราะธรรมมีอยู่ที่ใจเกิดขึ้นได้ที่ใจสถิตอยู่ที่ใจไม่มีที่อื่นใดเป็นที่เกิดขึ้นของธรรมเป็นที่สถิตอยู่ของธรรมนับประธรรมขั้นอย่างจนถึงขั้นสูงสุดคือวิมุตตินิพพานไม่นอกเนื้อไปจากใจดวงนี้ที่จะรับสัมผัสสัมพันธ์และเป็นภาชนะอันเหมาะสมแห่งธรรมขั้นนั้นๆได้เลยมีจิตดวงเดียวเท่า น, นี้เป็นสิ่งธรรมชาติที่เหมาะสมอย่างยิ่ง ทำจนเกิดได้ทั้งฝ่ายมรรคทั้งฝ่ายผลถ้าเราทำให้เกิดถ้าไม่ทำให้เกิดก็หยุดตรงนี้ก็เป็นภาชนะใส่มูดใส่คูดไปดังที่เคยเป็นมาคาว่ามูดคูดได้แก่อะไรก็ได้แกที่โลกทีเโกรธที่หลงของต่ำช้าเดียวสามอะไรจะไปเกินกิเลสไม่มีชิ้นที่สะอาดหมดจดอจจจัศจรรย์อย่างิ่ง เกินโลกเกินนิสานก็ไม่มีอะไรหนือทําเพราะฉะนั้นทั้งสองประเภทนี้จึงเป็นข้าสึกขัดแย้งกันอยู่เสมอไม่เคยลงรอยกันได้เลยแต่การไหนมาและจะตลอดไปด้วยและจิ่งทั้งสองนี้มีอะไรเป็นสถานที่อยู่เป็นสนามรบกันก็คือใจถ้าไม่มีอะไรมาขัดมาแยง้งมาต้านทานจิ่มกันาะกัน อาิเลสก็อยู่อย่างสนุกเทินใจดังคนที่ไม่เคยสนใจอัดทำเลยนั้นจิต ด, ดวงนั้นก็คือครังของกิเลสเอมดวงผู้มีความสนใจในอัดในทำหลังบุญหวังกุศลมีความรับใครฝ่ายอัดฝ่ายทำฝ่ายบุญฝ่ายกุศลอยู่ก็ยังมีข้อขัดข้อแย้งกันยังมีพูดมีเครื่องต่อสู้กันกับกิเลสกิเลดก็ไม่ได้อยู่อย่างสะดวกสบาย เป็นร้อยเปอรเซ็ต์ของตอเพราะถูกขัดถูกแยง้งถูกทําลายกันอยู่เสมอยังดังที่เราเป็นนักปฏิบัตินี้เรียกว่าขึ้นเวทีแล้วเพื่อต่อกรกันกับที่เล็ไม่ว่าที่เหล็กประเภทใดจะต้องออกเต็มลวดเต็มลายของมันเรามีเครื่องต่อสู้มากน้อยเท่าไหร่ก็จะต้องแสดงออกเต็มลวดลายของตนไม่เช่นนั้นก็แพ้เหมือนเดิมได้ในเบื้องต้น ยอมแพ้ไปซะก่อนแต่ไม่ใช่ยอมแพ้แบบถอยหลังสูกๆูดอย่างนั้นยอมแพ้โดยการสู้ยังสู้มันไม่ได้เราจะเอาชนะแจชนะมาจากไหนก็สู้มันไม่ได้เพราะกำลังยังไม่พอก็เรียกว่ายอมโดยหลักธรรมชาติไม่ใช่ตั้งใจยอมจำนวนยอมโดยโดยหลักธรรมชาติที่กำลังยังไม่พอกับมันสู้มันไม่ได้แต่กาลังนี้จะต้องขึ้นมาเรื่อยๆไม่ถอย จนกระทั่งพอกับกิเลสประเภทนั้นๆถึงจนถึงกิเลสประเภทที่ละเอียดสุดยอดทำเครื่องลบล้าง่าดฐานกิเลสก็เป็นธรรมสุดยอดเหมือนกันดังท่านกล่าวไว้ว่ามหาสติมหาปัญญานั่นแหละยอดเครื่องมือทำฝ่ายฝ่ายเหตุก็คือว่ายอดธรรม่านจากนั้นไปแล้ว ก็เป็นผลเป็นตัวเนี่ยที่กล่าวมาทั้งมวล น, นี้อยู่ที่ใจดวงเดียวนี้อยาเข้าใจว่าทำ ก, ก็ดีกิเลสก็ดีอยู่ในสถานที่อื่นใด น, นอกจากใจดวงนี้น้ําเป็นน้ําลมเป็นลมไฟเป็นไฟดินเป็นดินอากาศกร า, ษ า, ษาเป็นอากาศกระท า, าทุกสิ่งทุกอย่างที่นอกจากใจไปแล้วเป็นด้านวัตถุหรือ นม า, ามธรรมก็ตามไม่ใช่กิเลสไม่ใช่มรรคไม่ใช่ผลไม่ใช่สถานที่อยู่ของกิเลสและมรรคใน ผ, ผานเมจัยนี้เท่านั้นเป็นที่เหมาะทั้งสองอย่างคือฝ่ายกิเลสและฝ่ายธรรมกิเลสทุกประเภทอยู่กับใจได้สนิททำทุกประเภทเกิดกับใจได้ทั้งนั้นและอยู่ได้ด้วยกันสนิทเพราะฉะนั้น เดองต้องได้แก้กันที่ตรงนี้เอาให้ดีทัติปัญญาพิจารณาอย่างไรเป็นธรรมพิจารณาอย่างไรเป็นเครื่องถอดถอนก็เคยอธิบายให้ฟังแล้วหลายครั้งหลายหงนับไม่ถ้วนขณะจะทำสมาธิภาวนาให้ตั้งหน้าตั้งตาทำเพื่อความสงบที่เยียกว่าสมถะ ถ้ามันหาความสงบไม่ได้จะพิจารณาทางด้านปัญญาเพื่อสกัดรัดต้อนไปกันดังแหลกเหลวควมกัรลงด้วยกำลังปัญญาตั้งใจทำหน้าที่ปัญญาอันเผจร้อนจริงๆเราก็ทำตามแต่จังหวะของมันที่จะให้ใช้ในแบบใดวิถีใดที่ทีิเลสจะมอบลงไปจนเห็นความสว่างกระจ่งจะางแจ้งหรือความสงบเย็นใจอันเป็นผลเกิดขึ้นจากอุบายวิถีปัญญาเช่นนั้นเราก็ทา ยาไปเลือกการเลือกเวลาเวลาสังเกต ด, ดูความเหมาะสมที่จะต่อสู้กันด้วยวิธีการใดนี้เป็นอุบายของผู้ฉลาดเพื่อแก้วความโง่ของตนออกจากใจไปได้โดยลำดับจิตที่หาความสงบไม่ได้ไม่มีโลกอยู่เพราะเราอยู่ด้วยจิต เราจะหวังเความสุขจากกิจเราไม่ได้หวังเอาความสุขจากสิ่งใดรูปเสียงกลิ่นรถเครื่องสัมผัสวัตถุสิ่งของต่างๆนั้นเป็นเพียงเครื่องอาศัยท่านเรียกว่าปัจจัยเป็นเครื่องสนับสนุนให้เป็นไปในวันหนึ่งคืนหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งเป็นระยะระยะไปเท่านั้นที่จะเอาดีเอายิ่เสียยิ่โสจากสิ่งเหล่านี้นั้นไม่มีทางเพราะเป็นเพียงเครื่องอาศัยเท่านั้นไม่ใช่เป็นของจริงจังอะไรพอที่จะ ไม่วางใจได้ฝากเป็นฝากตาได้กับสิ่งเหล่า น, นี้แต่สิ่งที่จะเราจะฝากเป็นฝากตายได้ตลอดไปนั้นได้แต่ธรรมจึงต้องอาศัยกุศลธรรมได้จากความฉลา ด, ดผลฝนอบรมเริ่มต้นตั้งแต่วิริยธรรมคือความภาพเปียนขันติธรรมต้องอดต้องทนนักปฏิบัติไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าขึ้นที่ว่าความอดความเพทนความภาคเพียนมีศาสตราของเราท่านเดินอย่างไรเราพยายาม เดินตามร่องรอยของท่านอย่าให้กิเลสมายุ่งมายุมาหลอกมาหลอนท้อถอยน้อยใจในการตามสเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยความเท่าเทียมอันจะเกิดผลแกต่ตนเองแล้วให้กิเลสเอาไปกินเลี้ยงกันเสียอย่างนั้นใช้ไม่ได้นักปฏิบัติเสียเร่อยเรียมของกิเลสความฉลาดพระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วทุกแง่ทุกมุมซึ่งเป็นผลเกิดมาจากพระองค์ปราบกิเลสจนดุล หมดแล้วที่แนะนํามาสอนโลกทําไมทําเหล่านั้นในเมื่อเราจะนํามาปราบวิเลยทำไมจะกลายเป็นเรื่องที่วิเลยปราบทำไปเสียล่ะมันก็ขัดกับการดําเนินเพื่อตามเสด็จพระพุทธเจ้าโดยไม่สงสัยเพราะฉะนั้นอุบายวิธีใหญ่ที่จะเป็นไปเพื่อถอดถอนวิเลยให้จิตทั้งเราได้มีความพาสุขเย็นใจเพราะมีธรรมอารักขา ชัตติอารักขาใจปัญญาเป็นเครื่องรักษาใจเป็นเครื่องทำลายสิ่งที่เป็นข้าศิกต่อจิตใจเพียนก็เพียนเพื่อรักษาใจเพียนเพื่อถอดถอนกิเลสอดทนก็อดทนในการต่อสู้กับกิเลสซึ่งเป็นความที่ถูกต้องดีงามทั้งนั้นไม่มีความที่หาอะไรทุกเราก็เคยทุกมาแล้วตั้งแต่วันเกิดจนถึงบัด น, นี้ ทำไมเวลาทุกข์เพราะการประกอบความเพียรเราจะมากระเทืนใจเกิดความท้อถอยไม่ถูกทุกอย่างอื่นเร า, อ ย, ายอมรับได้ทุกข์เพราะความเพียรอันเป็นประโยคพยายามเรียกว่ายอดทำยอดแห่งการต่อสู้ทำไมเราจะเห็นว่าเป็นทุกข์แปลกประหลาดยิ่งกว่าทุกข์ทั้งหลายที่เคยดาเนินมาที่ที่เคยได้รับคํมปัสสัมผั์ ม, มาความทุกข์อันนี้ที่จะ นี่แลที่จะเป็นผลให้เกิดความสงบสุขเย็นใจจนกระทั่ถงถึงความสุขสุดยอดไม่พ้นจากความทุกข์อันนี้ไปได้เลยความทุกข์อย่างอื่นหวังเอาคํามดีความดีกับมันไม่ได้แต่ความทุกข์เพราะการพยายามในการต่อสู้กับทีเ่เหลืประเภท่ต่างๆนี้เป็นความทุกข์ที่จะยังผลอันเป็นที่พึงใจให้เกิดขึ้นแก่จิตใจของเราโดยลําดับดับจนเป็นที่พึงใจอย่างเต็มที่ได้เราจึงควรภูมิใจ ทกุก็ยอมรับวาทุกในผู้ปฏิบัติเพื่อจะ ก, ก้าวให้พ้นจากทุกโลกนี้ไมมีอันไรที่จะหน่าสงสัยแล้วเคยเกิดก็เคยเกิดมานานอยู่กับโลกอันนี้มานานทุกก็เคยทุกมานานสิ่งที่เราเคยสัมผัสสัมพันธ์นี้เราเคยสัมผัสสัมพัสมามากต่อมากแล้วมีอะไรเป็นสาระคุณนพอให้เป็นทีร่ระดึกเป็นที่วางจิตวางใจมอบที่ยึจิตใจของมัน ได้ด้วยความตายใจไม่เห็นมีอันใดพอที่จะให้รับความสุดเดือดตายใจนั้นได้เลยนอกจากทรรมเท่านั้นพระพุทธเจ้าก็เคยผ่านโลกมาเช่นเดียวกับพวกเราผ่านวัด ต, ตะวนวนเยียนเกิดตายเดือดถามกองทุกข์มากน้อยมาโดยลำดับลำดาก็ไม่ปรากฏว่าพระองค์วิเศษเพราะทุกตอนใดเพราะพบใดชาติใด ในการท่องเที่ยวแต่พอพ้นจากพิเลสอันเป็นสาเหตุให้เกิดแก่เจ็บตายทายในพระไทยนี่เท่านั้นโทงก็ลงเต่งอุทานขึ้นมาตัางทีมาบุสิตังพรรมจรลย์ยังกตังกรณียังนะเสร็จแล้วกิจการงานทั้งหลายซึ่งเป็นเรื่องใหญ่โตมากในไตรภพได้แจ่การต่อสู้กับพิเลสนี่คืองาน ทันยอดทั้นเยี่ยมงานใหญ่โตมากได้เสร็จสิ้นลงแล้วเพราะวิเลตตายเรียบไม่มีีิเลตตัวใดเหลืออยู่แล้วกระตังกนรณ์ยังจิตที่ควรจะทำให้ยิ่งกว่านี้ไปอีกไม่มีแล้วนัทธีดานิปุนัพภวบันนี้ความเกิดความตายทั้งท่ำผักผากโบกเยียนเปลี่ยนแปลงทั้งพบทั้งผัก ท, ทั้งสกลอากาศ เพียรดูไม่หยุดไม่ถอยเจนหาที่สิ่งสุดยุติไม่ได้นั้นได้มายุติแล้วในขณะที่กิเลสได้สิ้นซากลงไปจากใจหนัอกอะโกหมาตตมิโลกัตสักาเราเป็นผู้ประเสริฐเหนือโลกแล้วเวลานี้นัเนี่ยเทอง์กระเสริฐตอนที่เด็กหลุดรอยไปจากใจตอนปราภิเลสให้เรียบราบไปหมดแล้วจึงได้จงอุทานขึ้นมาว่าวิเศษแต่ก่อนไม่เห็นได้รับ ได้ยินได้ฟังว่าพระองค์พิเศษอันนี้เราทั้งหลายก็เคยสัมผัสสัมพันธ์กับเรื่องสิ่งดังกล่างมานี้มากมายไม่มีใครจะแข่งใครได้แล้วเรื่องความเวียนว่ายตายเกิดที่เต็มไปด้วยกล่องถูกในพวกถาดนั้นๆแล้วเราจะสงสัยอะไรที่ไหนถ้าไม่ใช่ถูกกล่อมที่เหลือเสี ย, ยจนหลับสนิทว่าอันนั้นก็จะดีอันนี้ก็จะดี นี้ตังค์ก็กิเลสมันพาเหอ่อเห่อเอาเสียจนลืมเนื้อลื ม, ล ม, ลมตัวลืมตายตายไปแล้วยังว่าจะได้รับความสุขความสบายเพียงไรอีกทั้งที่หัวใจมันร้อนเหมือนฟืนเหมือนไฟแ ล, ะะแล้วจะอะไรจะเป็นความสุขในภพหน้าถ้าใจดวงเป็นตัวเหตุตัวการตัวแกมอันสาคัญ น, นี้หาความสุขไม่ได้แล้วเราจะแปลความสุขจากอะไรเอาความสุขจากดินมันก็เป็นดินมันเป็นความสุขที่ไหน จากน้ำก็เป็นน้ำจากลมเป็นลมจากไฟเป็นไฟจากวัตถุหรือแหลท่าต่างๆตลอดถึงดินฝั่อากาศมันก็เป็นของมันดังนั้นดังนั้นมันจะเอาความสุขอะไรมาให้เราถ้าเราไม่แก้ลงที่กิจอันเต็มไปด้วยยาพิษคือตัวเผาผลาญจิตใจได้จากที่เหลืนี้ให้หมดไปโดยลําดั่ดั่งแล้วไม่ต้องถามเรื่องความสุขกรินสถานที่ใดการใดเวลาใดไม่ถาม พบใดชาติใดพบหน้าชาติหลังอะไรไม่ไม่ถามหมดปัญหาที่จะถามแล้วเพราะพอตัวแล้วทุกอย่างภายในจิตไม่มีความหิวขออีกแล้วจะไปถามหาอะไรจะไปสงสัยกับอะไรว่าอันนั้นน่าจะดีอันนี้น่าจะดีเพราะมันเต็มหัวใจแล้วในบรรดาความดีความสุขทั้งหลายพอกับความต้องการไม่บกพร่องที่จะต้องการต่อไปอีกแล้วนั่นน่ะคือความพอของจิต ที่เหลือตัวหิหวโหยกระเด็นออกไปจากใจเสียอย่างเดียวเท่านั้นความหิหวโหยจะไม่มีเลยดูไหนอยู่ได้ตายตายได้เพราะความสลายของธาตุซึ่งมันเคยเสีายมาแล้วตั้งแต่เรามืดบนอุตสาหกรรมมันก็เคยเสีายเคยตายมาแล้วนี่ยิ่งเรารู้แจ้งเห็จริ ง, งมันแท้จริงว่าเป็นธาตุเป็นขังเป็นธาตุสี่ดินน้ําลงไปมันมาผสมกันนี่กิจตัวหลงเข้าไปสอดแทรกเป็นตัวการขึ้นมา แล้วก็ไปแบกไปหามสิ่งอย่างนี้เข้ามาเป็นตนเป็นของตนเป็นเราเป็นของเราของเขาด้วยความไม่อายเพราะกิเลสมันพาให้หน้าด้านเท่านั้นเราจรึงไม่รู้จักว่าจะทนอายได้ไม่ทนอายถ้ายอมจำนนกับมันเมื่อสติปัญญาทำได้เพียงพอแล้วทําลายสิ่งนี้ลงไปได้เราจรึงได้เห็นความลาหมกของมันความอยากฆ่าบความร้อยเล่ยทหลี่ยง ร้อยสันพันคงข้างมัเมื่อสติปัญญาได้ทันมันลายมันไปแลทีนี้เอายกมาเปรียบมาเทียบมาเป็นคู่แข่งกันในโลกทั้งสามโลกกระถางกับจิตดวงที่บริสุทธิ์ล้วนๆนี้อันใดมีคุณค่ามากกว่าอีนใดจะไม่มองดูเลยในสามโลกกระถาง น, นี่เป็นโลกที่เราเคยอยู่มาแล้วเท่านั้นให้ความสุขความทุกข์มากน้อยเพียงไรเราเคยผ่านเคยพบ เคยสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วไม่มีอะไรสงสัยแต่ความบริสุทธิ์พุทธโธเต็มดวงที่จะเกิดขึ้นเพราะอนนํานาจแห่งความภาเพเทียนหนักเบาเอ า, เอาสู้นี้หนักก็เอาเบาก็สู้นี้เรายังไม่เคยเห็นยังไม่เคยรู้แต่ได้รู้ได้เห็นจะแล้วบัดนี้นะหายสงสัยนี่แักะสาสตพระธรรมของพระพุทธเจ้าสอนลงถึงเหตุถึงผลถึงความสัตความจริงไม่มีปลอมแม้แต่นิดนึ่งคาว่าปลอมให้คุณทราบว่าเป็นกิเลสทั้งมวล เพราะกิเลสมีแต่ปลอมหาความจริงไม่ได้ปลอมตลอดมาเป็นคู่แข่งกับธรรมคือความจริงตลอดมาเพราะฉะนั้นกิเลสจริงปลอมไปเรื่อยๆปลอมมาแต่ลูกแต่ลแต้ลแต่เหลียญปู่ญาตายายมันปลอมหมดอาการจะแสดงมาเป็นเรื่องปลอมขัดกับธรรมขัดกับธรรมทั้งนั้นการแก้กิเลสจริงต้องแก้ของปลอมเมื่อแก้ของปลอมออกได้มากน้อย <S <S <ๆ>ก็เห็นของจริงขึ้นมาที่ใจมากน้อยโดยลำดั บ, บๆจนกระทั่งจริงเต็มสวยสิ่งภายนอก ก็จิงดินน้ำลมไปพระอากาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าวัดถึงว่านานมธรรมเมื่อที่เด็กไม่พลาดไปหลอกว่านั้นเป็นอย่างนั้นมีนม่เป็นอย่นี้แค่อย่างเดียวจริงนั้นเป็นความจริลนล้วนๆตามธรรมชาติของเขาเพราะเรารู้รอบขอบคิดแล้วเราก็กลับมากินของเราเป็นสว่วนแล้วก็มาตำหนิกันนี่เมื่อต่างอันต่างจริงนี่ก็ไม่กระทบกระเทือนกัน ถึงละรอนจะหนาวจะหิวจะกระหายก็เป็นเรื่องธรรมดาของขาดของขังธ์ก็รับธาตมันอยู่เพียงเท่านั้นที่จะให้ความหิวความกระหายความทุกข์ความลําบากเข้าไปแทรกแทงภายในจิตใจให้เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาภายในาจนั้นเป็นอันว่าขาดสะบั้นแต่หมดแล้วตั้งแต่ขณะที่เหลือแต่กระเจาไปจากใจเพราะฉะนั้นเธอหังจึงหาเวทนาไม่ได้ภายในใจิตตั้งแต่วันบรรลุธรรม ตนกระทั่งมั น, นิพฐานตลอดอมันตการถึงไม่มีสุขเวนทนาทุกขเวนทนาอุเบกขาเวนทนาเหล่านี้เป็นสมมุติทั้งหมดจิต ว, วิมุตต์กับสิ่งสมมติจะเข้ากันไหมคาว่าปรมาณูสุขขังที่สมานิพานนางปรมาณูสุขขังนั้นเป็นสุขในหลักธรรมชาติของความบริสุทธิ์ปัญหาไม่ใช่สุขเวนทนาเพระาะฉะนั้นจึงไม่มีคําว่าอ น, นิจจังสุกขังอมันต า, าเข้าไปแทรกเลย นั่นกินหมดปัญหานหนีไม้ถึงถนอนเหุคือการพุทธาพยายามทุกพระพุทธเจ้าก็เป็นทรงเป็นพยานมาแล้วทรงเดินไปก่อนพวกเราให้เห็นอย่างยกๆย ย, ย, ยอยู่แล้วเนี้สลบสาหมุนสลบสาหมุนฟังซิแต่อ่านคำพิคำพีอ่านกี่ครั้งก็บอกว่าสลบทรงสลบสาหมุนสามหมุน ก็เหมือนอย่างเดี๋ยวนี้เดียวนี้น่ะไม่ชัดแจ้งงนั่ น, น, นองค์ความจริงของศาสนาดําเนินเป็นอย่างนั้นเห็นแระจับสาวกทั้งหลายก็ทุกข์ลาบากลําบนเพราะไม่ใช่เพียงสกุลหนึ่งสกุลเดียวหลายสกุลหลายชาติชั้วนวรรณะที่สละตนออกมาเพื่อเพื่อทำไม่เห็นเจอความยากลําบากแม้จะเคยอยู่ในสกุลที่ได้ยีย่อนเทียงไรเช่นสกุลกระสังแต่เวลาเสด็จออกมาบวชในพุทธศา ส, สนาปฏิบัติ ตนแบบลูกศิษย์มีครูตามร่องตามรอยพระบาทของพระเจ้าแล้วย่อมเป็นทุกข์ดุลกัดท่านยอมรับไม่ได้คำหนึ่งไม่ได้คิดถึงไม่ได้วุ่นวายกับสมบัติเงินทองเข้าของมากน้อยสกุลน่สกุลสูงสกุลต่ำสกุลใดก็เป็นเหมือนกันกับโลกเขาเป็นความทุกข์ความลาบากไม่ได้ยิ่เกตบยิ่โสอะไรแหละก็เป็นไปตามสมมุตินิยมของโลกเราจะหาธรรมนิกตถ้าจะไปยุ่งกับสิ่งที่ต่ํา ทำยิ่งกว่าทานี่แล้วเราจะหาเขา ม, ม่เกิดเนื้อสิ่งเหล่านั้นมาได้อย่างไรนี่แหละเป็นเหตุที่ท่านพ อ, ออกพอใจถ้าทราบซึ้งในพระว่าของพระเจ้าที่ทรงแสดงตามความสับความจริงตามเหตุตามผลการเราค่อยปฏิบัติเมื่อใจมีกําลังมีศรัทธาความเชื่อมั่นในเหตุในผลแล้วความเพียรก็มีมาตามๆกันความอดความทนพออดพอทนทั้งนั้นมั้นดูกับใช้ดวงเดียวขาใจทอถอยอ่อนแอเฉยอย่างเดียว อยู่ที่ไหนมันก็อยู่ไม่ได้มันทนไม่ได้พคอยแต่จะตายถ้ากําลังใจมีกําลังศรัทธานีมันเพราะอดพอทนทําไมจะไม่อดไม่ทนได้โลกเขาทําการทํางานเขาก็ทุกเหมือนกันกันกบเราเขาก็ทนเขายังทนได้เราที่ทําความพากเพียรเพื่อถอดถอนยีเดชอันเป็นเชื่อมเป็นหนามเป็นหอกเป็นหลาอยู่ภายในจิตใจให้ออกไปจากใจ ทำไมจะไม่ยอมรับทุกประเภทนีนที่เป็นทุกใ้ถึงธรรมอันยิเศษหญเราต้องยอมรับนักปฏิบัติต้องมีความเข้มแข็งให้มีความจริงจังต่อทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความมีสติจดจ่อต่อเนื่องกันไปมีเจตนาอย่าร้อนแหล ะ, ละความล้อนแหละไม่ใช่นิสัยของผู้จะมีธรรมสมบัติขึ้นที่ใจจะกลายเป็นเรื่องที่เรียสมบัติ ที่เรศมันจะเป็นสมบัติได้ยังไงอมสมสมาสัมปติสมัมปติก็หมายถึงถึงพร้อมเนี่ยสมบูรณ์เนี่ยหวังสมเป็นสิ่งที่พึงหวังด้วยความถึงพร้อมด้วยความสมบูรณ์พึงใจที่เรศเป็นที่พึงใจอะไรมันจะเป็นสมบัติได้งไงนอกจากมันเป็นค่าสูตรเป็นมา อย่าลืมคำว่าสติผมเห็นคุณค่าของสติมากปัญญาสติเป็นสําผัสเพียรอยู่เสมอผู้มีสติอยู่ชื่อว่าผู้มีความเพียรยืนเดินนั่งนอนโขกฉันทำหน้าที่ท า, างงานเลยอย่างน้อยให้มีสัมผัสปัญญารู้สึกตัวถ้าไม่มีสติจดจ่ออยู่กับคําภาวนาก็ให้มีความรู้สึกตัวเสมอไม่ผิดเวลาเราจะเอาเข้าสู่การชุมวจริงมันก็เหมือนกับจัด ที่เราเลียงดูมันอยู่จะไล่ต้อนเขา้าคอกเมื่อไหร่ก็ได้เหมือนเหมือนที่ปล่อยไปตามยะถากรรมกว่าจ ะ, จะไปจะไปตะเวนหาบางทีเขาเอาขึ้นเฉียงแล้ว <c oughs> คิดที่เราระมัดระวังเรารักษาจะอยู่โดยโดยสม่ำเสมอเราจะให้เข้าสู่ความสงบในองค์ภาวนาก็ได้ตามความต้องการไม่ดื้อ ดึงเหมือนที่ปอดให้เป็นปรามยถ า, าตาัดการระมัดระวังสติก็ต้องฝืนเพราะฝืนกิเลสกิเลสเป็นผู้ทําลายสติเป็นผู้ทําลายปัญญาเป็นผู้ทําลายความเพียรในเนี้อธรรมะทุกด้านกิเลสจะต้องจีดต้องขวางต้องทําลายเสมอเพราะฉะนั้นการที่เราฝืนตรงนี้จึงเป็นการฝืนกิเลสอยู่ในตัวของมันเองถ้าเราไม่ฝืนก็คือวเวราคล้อยตามกิเลสยอมจำนนกิเลส เราจะหาทางออกทางพ้นจากกิเลสไม่ได้มัดตัวเกีเข้าไปแบบนี้พี่เกี่ยววัตปีปัญญาทำให้มันแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสมึงจะปราบที่เหลสได้ถ้ากิเลสยังแหลมคมกว่าเราเมื่อไหร่เราต้อมีทางที่จะหลุดพ้นจากอำนาจของมันได้ยิ่งต้องคิดตัวเสมอเสมอนักนบะวชเราาะดวกมากในการประกอบสมานาติสมานาธรรมทําเพื่อความสงบ กิจการงานเพื่อความสงบเย็นใจเราทําได้สะดวกเพราะมีญาติโยมศรัท ธ, ธามากมากับกองที่จะคอยสนับสนุนอนุโมทนากับท่านผู้ตั้งใจพุทธปฏิบัติไม่ตายไม่อดนอกจากเราจะอดเพื่อค่าที่เหลือที่จะให้อดตายเพราะไม่มีผู้มาทําบุญให้ทานไม่ใช้สอยไม่ให้ ท, ที่อยู่อาศัยเป็นแต่ไม่ได้เพราะคนบุญยังมีอยู่มากในเมืองไทยของเราเป็นเมืองพุทธด้วย เพราะอโมธนาอยู่เสมออยากได้บุญได้กุศลด้วยทียนี้เล่าพูดจริงจ้ะขอแสดงหาบุญเพื่อตนและเพื่อผู้อื่นในอันดับต่อไปนั้นต้องตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติอย่าลุดละทอถอยให้เห็นสมบัติอันพึงใจเกิดขึ้นที่ใจใจเองเป็นมหาสมบัติทำรรมาสมบัติก็อยู่ที่ใจมหาสมบัติทั้งมวลอยู่ที่ใจ ลงใจกับทาได้กลมคกลืนปเป็นหนึ่งอันเดียวกันแล้วนั่นแหละคือมหาสมบัติเวลานี้มีแต่กิเลสมันพันหัวใจยิ่งต้องได้แก้ได้ถอดได้ถอนฟัดเบี่ยงกันอยู่ตลอดเวลาทุกยากลำบากก็ทนเอาอนเนี่ยว่าสิบนี้ครู <c oughs> อะไรจะยากยิงกว่าฝึกฝนอบรมพระให้เต็มให้เป็นพระ <c oughs> อย่างสมบูรณ์แบบให้เป็นคนอย่างสมบูรณ์แบบของคนไม่มีฝึกอะไรจะยากยิ่งกว่าฝึกคนคําว่าคนก็ต้องหมายอุโบสถของเราเป็นอันดับแรกแล้วการสอนไม่มีอะไรจะสอนยากยิ่งกว่าสอนคนหมายถึงเรา <c oughs> เป็นคนแรกเราสอนเหล่านั่นคือสอนคนเราฝึกเรานั่นแหละคือฝึกคนถึงต้องยากทุกระยะระยะ ไม่มีอันไดที่จะยากยิ่งกว่า <c oughs> การฝึกคนการทรมานคนการทำคนฝึกคนให้เป็นคนดีจนถึงขั้นวิเศษวิโสมาเอาตัวของเราเป็นคนเป็นคนเป็นคนคนภายนอกคนอื่นนั้นไม่มีปัญหายิ่งกว่าเราจะฝึกเรา <c oughs> ให้เป็นเราอย่างเต็มตัวเมื่อนนี้สมบูรณ์แล้วเรื่องประโยชน์ทางโลกนั้น มันแยกกันไม่ออกเพราะโลกกับธรรมอาศัยกันดีครับชาวบ้านกับชาววัดก็แยกกันไม่ออกอาศัยซึ่งกันและกันหากเป็นไปเองตั้งพระโพธิเจ้าเมื่อได้ตัดสรูแล้วเรื่องประโยชน์ของโลกก็ตามมาเองในขณะที่ทรงบำเพ็ญไม่ทรงสนทนาไทยกับผู้หนึ่งผู้ใดทั้งนั้นเพื่ <c oughs> ตั้งนาประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่มืดมนอ น, นากลางอยู่ภายในจิตไม่มีอะไรที่จะมืดยิ่งกว่ากิเลสครอบหัวใจ สิ่งที่มีอยู่มันก็ไม่เห็นสิ่งที่มีอยู่ควรจะรู้มันก็ไม่รู้เพราะกิเลสไม่ให้เห็นกิเลสไม่ให้รู้กิเลสให้เชื่อกิเลสไม่ให้ทำนี่แหละสำคัญตรงนี้กิเลสเป็นผู้คัดผู้ค้านผู้ขีดผู้ขวางอยู่ในหัวใจของเรานี่แหละมันจึงรู้ไม่ได้เห็นไม่ได้ในสิ่งที่มีดังพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ทุกเนี่ยทุกมุมบาปกไม่ทราบว่าเป็นยังไงบุญก็ไม่ชาบว่าเป็นยังไงนรก ไม่ทราบเราเป็นยังไงสวรรค์ไม่ทราบเป็นยังไงพรมโลกไม่ทราบเป็นยังไงนิพพานไม่ทราบเป็นยังไ ง, งทั้งๆกิจใจนี่เนี่ยจะเป็นผู้รู้แต่มันรู้ไม่ได้เพราะถูกกิเลสปิดเอาอย่างมิดตัวการประพฤติปฏิบัติทางความภาคเปลี่ยนทั้งเรเื่องเป็นการเปิดการเพิกถอนสิ่งที่หุ้มห่อให้เมืม่อนิสิตปิดตาภายในใจนี้ออกไปดูลําดับ จอเห็นความสงบก็ให้เห็นสมาธิก็จะได้รู้ได้เห็นที่ใจเมื่อความวุ่นวายเป็นตัวกิเลสจางลงไปจางลงไปปัญญาความสอดส่องก็มีทางจะออกจากก้าวเดินได้เพราะกิเลสไม่จิตไม่ขวางติดตันไวเ้เสียจนหาทางออกไม่ได้ปัญญาก็ออกได้ก้าวได้เมื่อจิตมีความสงบพอเป็นป่าเป็นทางแล้วปัญญ า, าออก็พอจะก้าวเดินได้หรือก้าวเดินได้และก้าวเดินได้อย่างเป็นขุมหนัก มีกิเลสเท่านั้นเป็นผู้ปิดบงังของจริงมีมากเท่าไหร่จ ะ, จะควรจะรู้เต็มหัวใจความรู้ความเห็นความเป็นต่างๆที่ไม่เคยปรากฏขึ้นภ า, ายในใจย่อมปรากฏขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆ อ, อุบายวิธีการต่งางๆปรากฏขึ้นเรื่อยความจริงที่เคยมีอยู่ที่ไหนที่ไหนมาดั่งเดิมมาดั่งเดิมแต่เราไม่รู้ก็กลับให้รู้ให้เห็นขึ้นมาท่ขึ้นมาภ า, ายในใจสุดท้ายใจก็เปิดตัวเองขึ้นมาเพราะไม่มีอะไรปิดกิเลสสลายตัวงไปหมดแล้วเหลือตแต่ความรู้ อันเป็นทำล้วนๆทำไมจะไม่มองเห็นสิ่งทั้งหลายโลกวิถูรู้แจ้งโลกก็รู้แจ้งที่ใจนี้ก่อนเดเมื่อรู้แจ้งที่ใจแล้วสิ่งต่างๆมันก็รู้เองมันปิดไม่อยู่ปิดใจมีแตทก่เลสทั้งละปิดใจอยู่พอี่เลกขึ้นสร้างไปแล้วอะไรจะปิดใจไม่อยู่เลยแต่รู้อย่างประจักษ์เรารู้ประจักษ์เราเพียงคนเดียวเท่านั้นสามารถที่จะพูดได้เต็มปาก เพราะพูดด้วยความรู้ยิ่งเห็นจริงไม่ได้พูดด้วยควาําด้นเดาเกาา่าหมัดแล้วก็ทราบแล้วว่าพุทธเจ้าพเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นสามารถเป็นศาสดาสอนโลกทั้งสามได้ศัพท์าเทวมนุษย์สามหนังสัสิสทําบทย่อท่านแสดงเอาไวไ้เพียงแต่เป็นครูของเทวดาเท่านั้นยังเป็นครูของเทวดาอินทมทั้งหลายอีกด้วยนั่นแหะความรู้ที่จริงสามารถสอนได้หมด พอดออกมาพูดได้ทั้งนั้นเพราะออกมาจากความพู้จริงเห็นจริงไม่มง้อเงินเงินหนูลูกไม่คําเราจะพยายามสอนเราเพียงคนเดียวทั้งที่มีเครื่องมือคือกระวาทพระญ า, ยาอุบายต่างๆทรงสอนไม่หมดแล้วมันก็ยังเป็นไปไม่ได้จะวางเอาผลเอาประโยชน์อตายตายเกิด ตายทุกตายยากตายลำบากลุกเย็นกันอยู่ไม่หยุดไม่ถอยมันได้ผลประโยชน์อะไรพบนั้นกับพบนี้มันต่างกันไหนก็คือพบแห่งความเกิดความตายความทุกข์ความทรมานเหมือนกันีจะเอาความวิเชียวิโสจากการเกิดการตายนี้มันมีเชียรวิโสกันหมดแล้วในโลกกถางนี้ไม่มีใครยิ่ยงใหญ่เอาไปความทนจากสิ่งเหล่านี้เพราะทําลายเชื่อมันหมดแล้วเท่านั้นเป็นผู้ประสบ เป็นผู้หมดกังวลและินเป็นนั้นว่าขาดบั้นไปแล้วนับถีดานี้ปุนัภโวะอันนี้ความเกิดความตายดำท่ำดทาสาบยังที่เคยเป็นมาของเราไม่มีแล้วหมดแล้วการปฏิบัติถ้าลงได้จริงจังกับท ร, รมาปฏิบัติแล้วผลจะต้องปรากฏขึ้นไปตั้งแต่ขั้นความสงบเย็นใจตัญญา แต่ก้าวออกไปเรื่อยสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็จะรู้ขึ้นมาภายในใจิตใจสิ่งที่ไม่เคยละได้ก็ละได้เป็นลาดับที่เรียกประเภทต่างๆขาดขาดที่หัวใจนะ่ะอย่ยว่าขาดที่ไหนนะ่ะเมื่อรู้แจ้งกันชัดเจนแล้วมันก็ขาดไปขาดไปเป็นลาดับบันดาแต่ไม่ใช่ขาดทียเดียวแบบขาดสะบันไปเลยนอกจากคีปาถิญญาที่บรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วเท่านั้นผมเนืยะ จึงต้องฝึกทรมานตนด้วยวิธีการต่างๆต้องขาดไปโดยลําดับลำดาตั้งแต่ขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดค่อยขาดไปขาดไปบทสุดท้ายคืออวิชชาขาดจากใจนั้นเต็มขาดสะบ้านอันนั้นขาดสะบ้านเหมือนกันหมดพอถึงจุดนั้นแล้วก็เหมือนกับถอนรากแก้วพรวดขึ้นมาพรวดเดียวเท่านั้นหอดนั่นแหละถอนรากแก้วของอวิชชาพรวดขึ้นจากใจเท่านั้นหนเดียวเท่านั้น ไม่ต้องได้ถอนอีกแล้วท่านอกุปปะธรรมอันนี้เป็นอกุปปะธรรมขั้นสุดยอดอกุปปะธรรมขั้นโสดานั้นเป็นขั้นหนึ่งขั้นสกิทาเป็นขั้นหนึ่งขั้นพนาคาเป็นขั้นหนึ่งขั้นพระรหัสอาหารเป็นขั้น่คือคําว่าสกิทัสโสดานั้นท่านบอกเป็นอกุปปะธรรมคือหมายถึงว่าไม่เสื่อมจากนี้ลงไปแล้วแต่ยังมีความเจริญความเสื่อมในขั้นที่ตนกําลังก้าว กำลังปีนอยู่ยังไม่ได้ที่ยึดที่เกาะ อ, อย่างเต็มที่ปีนขึ้นตกลงเป็นขึ้นตกลงอันนั้นยังมีการกําเริดส่วนขั้นภูมิที่ได้แล้วนั้นเป็นอกุปปธรรมไม่กําเนิดคือหมาขึ้นมาไม่เป็นอื่นพอก้าวขึ้นอีกพักหนึ่งได้เป็นที่แน่แล้วนั่นก็เป็นอกุปะาอีกแล้วก้าวต่อไปเห็นพระเจีย์ทาทาจะก้าวขึ้นสู่พระอนาคาขก็ต้องก้าแล้วตกไป ก้าวแล้วตกลงก้าวแล้วตกลงเนียกว่าเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมเพราะยังไม่ทํานานจนกระทั่งชํานาญจนถึงกับเกาะไอดปั๊บแล้วอกับเป็นอัตุปกในขั้นนั้นๆพอถึงขั้นอรหัตภูมิเต็มตัวแล้วหมดที่นี่ไม่มีก้าวไปไหนอีกยิ่นไม่มีคําว่าตกลงอีกไม่มีคําว่าเจริญแล้เสื่อมอีกเพราะเจริญเต็มที่ธรรมะเจริญเต็มภูมิแล้วถึงหลักธรรมชาติ เป็นอกุปะขั้นสุดยอดที่กรรมมาทั้งหมดนี้ไม่ใช่อันใดสิ่งใดจะเป็นผู้สัมผัสจะเป็นผู้รับรู้จะเป็นเจ้าของสมบัติที่ก่าวนี้นอกจากใจดวงเดียวนี้เท่านั้นทำทั้งมวลมีใจดวงเดียวนี้เท่านั้นจะเป็นผู้รับสัมผัสสัมผัสจะเป็นผู้บรรจุไว้ในตนเป็นมหาสมบัติขอให้ทุกท่านพยายาม เห็นของวิเศษทายในใจของตนจะหายกังวลในสิ่งทั้งหลายโดยไม่ต้องสงสัยครัต่อไปนี้ท่านปัญญาอธิบายเพืนฝา